มีมากถือถว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยผมเล่าไม่ใช่เพื่อติสินซ้ำเติมนะแต่ผมเล่าเพื่อเห็นว่าท่านเป็นคนทำเพื่อจะทวงกับภาพพจที่หลายคนเห็นว่าท่านเป็นคนกร้าวร้าวชอบพูดอะไร้เจ้าภาพเรียกเรนะื่องหมาบ้าว่างสุนักปากร้ายบ้างอะไรอน่างนะี้เพราะทีเรานะนับตั้งแต่ตั้งกรุงสุโขทยนะัยเี่ยไม่คิด ศรีชัยเพราะยังเป็นปัญหาทางด้านประวัติศาสตร์ว่าเป็นอาณาจักรไทยด้วยหรือไม่นะฮะแต่ว่าสําหรับท่านอาจารย์นั้นท่านไม่สงสัยเลยว่าอาณาจักรศรีชัยนั้นเป็นไทยหรือไม่เป็นไทยนะครับแต่ผมจะเว้นไม่พิจารณาในแง่โบราณคดีและประวัติศาสตร์ต<ม>ั้งแต่สมัยสุโขทัทยนะครับเทศเราได้ติดต่อคบค้ากับจีนมานานจนกระทั่งจีนกับไทยเนี่ยเกลี้ยงเหมือนแขนซ้ายแขนขวานะแต่เราไม่เคยยอมรับหรือนับถือ ความนุ่มลึกถึงกุมารยาของจีนเลยเราจะมีคำเรียกจีนว่าเจ็กนี่ความในที่คมทีด้วยนะเรียกแขกว่าแขกชาวเยาวว่าแขกความรู้เรืเร่องเซนเรื่องเต๋อเพ่เกิดเมื่อสามทศวรรษที่แล้วมาเนี่ยประมาณ3าปีที่แล้วมาเนี่ยเราก็รู้ว่าจีนมีเรื่องนลึกมากกว่าที่เราคิดเราเห็นมหายาณเป็นพวกกรุงเจ็กพวก อาซึมกำลังเจแล้ว เ, เราเห็นท่นี้ครับเพราะเราเหยียดจีนแต่เราครบค้ากับจีนแต่เราไม่ยอมรับจีนทีนง่งหนึ่งเมื่อสมัยรัชกาลที่สามนั้นท่าทีดีขึ้นเพราะว่ามาเห็นสี่หนึ่งของรัชกาลที่สามจนเป็นจีนรูปแบบของบทก็เปลี่ยนหน้าบันช่อฟ้าคันถวยก็หายไปเหลือติดถ้วยโถโอชามที่หน้าบันนะฮะจีนก็เด่นขึ้นคงแปะศิลปินจีนก็เด่นขึ้นในช่วงนั้นเราไม่ยอมรับ บุคคลที่เข้ามาผสมผสานเป็นเลือดเป็นเนื้อเดียวกับเราเสแล้วนะครับอย่างผมนี่เป็นหลานจีนครับแล้วก็ผมเชื่อในห้องนี้ผมว่าเกินที่มีคนเชื่อสายจีนแต่เราไม่เคยเรียนนู้วิถีที่ลึกลึกของจีนลึกลึกลึกเต่าท่านอาจารย์เป็นคนแรกนะฮะที่แปลพระคัมภีร์ของเซนคําสอนฮงโปสูตรคุ้งไวยางอย่างเป็นระบบนําเสนอยอย่างเป็นระบบและแปลอย่างจริงจังครับ ก่อนหน้านั้นนี่เซนก็เกษินเทศสายในรูปของนิทานตลกกับขันว่าด้วยอาจารย์ขีดจิตตกน้ําแล้วก็บรรลุษทำอะไรเป็นงอนี้เ่าสู่เป็นความสนุกตลกไม่เป็นระบบครับแล้วแทบจะเอาประโยชน์อะไรไม่ได้แต่ว่าท่านอาจารย์ได้แปล อ, อย่างก่นกลองมากนะครับผมคิดว่ายังเป็นคำแปลที่ใช้ได้อีกจนทุกวันนี้แม้ว่าท่านไม่ใช่นักแปลเหมือชีพก็าตามแต่เนื่องจากท่านมีวิถีชีวิตซึ่ง สอดครองมาเป็นไปในกระแสธรรมชาติดังนั้นจะแลเห็นโวหารอันติซ่อนอยู่ในโมหันต์เซนได้ถ้าท <Okay. S 1> ่านไปที่สวนโมกในโรงมหาสมน์นั้นจะพะว่าเซนได้ถูกนําเสนอผ่านหนั่งรูปเขียนกิจกรรมฝาผนังเยอะเป็นจํานวนมากจนเป็นที่ตั้งของคำกรหานินทาว่า อ, อาจารย์เป็นเซนเป็นมหายานเป็นพวกนอกรีดเมื่อสมัยท่านเ อ, อ สร้างสุนโปกมาในช่วงหนึ่งแล้วนะครับมาในช่วงกลางมาัชฌิมวัยของสวนโปกนั้นมีสมัญญาซึ่งประนามท่านสายล้ายป้ายสีผมไม่ระบุชื่อคนคนด่านะแต่ว่าผมจะพูดเตือนครับจำว่าเพื่อที่เราจะไม่ได้ประนามใครง่ายนักนี้จากุฏาหนทัตุธาหอนอันนั้นเขาเรียกท่านอาจารย์ว่ามานศาสนาครับมานพุทธทาสเกิดแล้วก็คุยกันอย่างนั้น บุคลิกภาพของพระหนุ่มในวัยต้นของชีวิตเมื่อหกทศวรรษก่อนนับตั้งแต่ภุมเรียงตราบเท่าวันสุดท้ายของชีวิตแปลเปลี่ยนไปเสมือนหน้ามือเป็นหลังมือแต่ก็คือมืออันเดิม้ทาทีที่จ้องจาบแข็งกล้าวกับคุณค่าวิปริตในสังคมนั้นเป็นไปนอย่างรุนแรง <Okay. S 1> ลักษณะที่นี้เป็นลักษณะที่ท้าทายตลอด ใคที่ขวัญอ่อนลงไปสินตนาการท่านแล้วเนี่ยอาจจะลําบากเพราะว่าท่านไม่ครีสผู้คนเหมือนที่ระหวังท่านต้องการที่ฉัใช้คําว่าผมต้องการจะชากหนังหัวของคนที่ท่านดูนหน้าว่าเสียงเนเหมือนมีนแดงถลกหนังหัวคุณบอกว่าเราอยู่ในช่วงเฉยนิ่งทางวัฒนธรรมทางจริยธรรมทางศาสนธรรมในทุกทางช่วงเฉยนิ่งสําคัญมาก ก็เราเดินตามผู้นําโดยที่เราไม่รู้อะไรแต่ไหนไปทางไหนก็ไปด้วยสังคมไทยยังอยู่ในลักษณะ ข, ของถอยไล่ในในลักษณะที่คุมเครือก็เพราะว่าบุคคล ท, ที่เป็นที่ตั้งแห่งความรักไม่น่ารักผู้นําของเรานะผมไม่ได้หมายทุกคนนะเมื่อใดจะตามที่ผู้นําในทางดิบัญญาก็ดีในทางการเมืองก็ดีไม่รักมนุษย์แต่มนุษย์ต้องรักเขาเพราะเขาเป็นผู้นำ วันนั้นเราจะเบลอครั บ, รบเราจะคุ้มเครือคือครเรานักถือคนที่ไม่น่านักถือเราต้องยกย่องเท่าทูนคนที่เรารู้อยู่แก่ใจว่าไม่น่าเท่าทูนดังนั้นภาวะของเราสะท้อนออกรวมๆเป็นภาวะสังคมเป็นภาวะซึ่งสนธยาครับคุมเครือไม่ไม่รู้ว่าดีหลายช่วงนี้ครับที่เราผมเรียกว่าช่วงเฉยนิ่งทางวัตนธรรมนั่นคือสภาพแปลกแยกระหว่างคนไทยกับวัตนธรรมไทย กิแปลกแยกกันไปคือคนไทยไม่เข้าใจว่าทําแต่เดิมของตัวมันคือช่วงเสื่องแอ้เป็นช่วงที่อันตรายมากถ้าหากมีวัตถุทำใหม่กระแทกเข้ามาเราจะเสียหลักสียศูนย์ทันทีเหมือนที่เราทราบว่าหลังปีสองพันห้าร้อยนะครับวิทยาลัยครูวิทย์ัยท้องถิ่นี่ถูกตั้านนิน่หลายแห่งแล้วก็ในวงการในเศษกรรมนั้นในช่วงปฏิวัติเขียวเราได้ค้นประดิษฐ์ทดลองเป็นค้นพบ พันข้าวที่เรียกพันข้าวกอขอซึ่งมีกอมี15รวงออกรวงเร็วแล้วเรานําเสนอนี้ไปโดยใช้เทคนิควิทยาทางด้านไบโอทางด้าน อ, าอะไรหลายๆด้านนะครับการทําเช่นนั้นในการทําลายมาเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นไปอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับในทางเศรีกรรนั้นชาวบ้านถูกหลอกล่อให้พึ่งพันข้าววิทยาศาสตร์แล้วทอดทิ้งพันข้าวปิ่นแก้วซึ่งเราเคยเรีย น, นในความรู้รอบตัวว่าพันข้าวดีเด่นยังไงครับ เพราะเมเราไม่ใส่ใจมันมันก็กลายพันธุ์เราไม่รักษามันหน้าที่สําคัญของเกษตกรคือการสงวนพันธนะุ์นะการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ในช่วงนั้นและการเผยแพร่ในแผนการพัฒนานั้นได้ทําลายมาเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นซึ่งมีทรงค่านี้ไปอย่างแทบจะหมดสิ้นในทางวิชาช่างนะครับมวิวิไลเทคนิคถูกสร้างขึ้นแล้วเนี่ยจึงสร้างขึ้นเพื่อรองรับความเข้าใจความรู้จากวัสดุที่ผลิตจากโรงงาน เหล็กกล้าเป็นวัฒนธรรมเหล็กกล้าแล้วเนี่ยทําให้ช่างชาวบ้า น, มนเมล็ดพันแห่งของวิชาช่างพินบ้านเนี่ยตกงา น, นเป็นแถวครับคือภูมิปัญญาท้องถิง่นถูกดูแคลนจากคนรุ่นใหม่ว่าโง่เง่าเต่าตุ่นแล้วปู่ย่าตายายซึ่งเคยครองภูมิปัญญามานานนับศตรวรรษนี้นนะถ่ายทอดกันมานั้นไม่รู้จะแก้ตัวยังไงไม่รู้จะอธิบายลูกหลานฟังยังไงว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งนี้หาได้รอดพ้นจากขายานของ พระอาจารย์สุนโมกฝไปไม่ครับพันต้านยังเคยเรียกผมไปพบบอกว่าเราเปิดศึกกับเด็กหนุ่มแถวชายาไหมท่านใช้คำนีงเนี่ยพราะเด็กหนุ่มสาวเริ่มหันเหเริ่มดูแคลนพ่อแม่ผมคิดว่าไม่มีไรน่าเศร้าเท่ากับว่าเราดูถูกดูแคลนบิดามันดาเพื่อให้กําเนิดเรามาโดยตัวท่านเองนี่จะเรื่องน้าเศร้าสลดมากๆครับผมไม่ใช้เวลามันนานเลยครับ ดังที่ได้เริ่มแต่ต้นว่าด้วยผลของประการอยากจะพูดในแง่มุมซึ่งเพงได้ประสบเพื่อสะท้อนออกไปรวมกับที่คนอื่นเห็นและได้ประสบด้วยเพื่อให้เกิดภาพพดภาพรวมที่สมบูรณ์ขึ้นอยากจะพูดในสิ่งอยากพูดประการที่สองก็คือด้วยความรูลึกถึงพระคุณขอนท่านที่ได้มีอาจารย์ไว้ในจิตใจ ก่อนจบผมจะอ่านบทกวีเพื่อเป็นการบูชาท่านด้วยครับ <c oughs> <c oughs> ที่จริงผอ่านบทกวีนี้ที่มสวเมื่อสองันก่อนเสีใจอย่างหนึ่งครับที่แก้ข้อวินิจฉัยของผู้ดำเนินการพิจารายไม่ทันซึ่งข้อที่บ่าผมเป็นอันเทวาสิทธิของท่านอาจารย์กนกติที่จริงผมไม่ใช่ครับ ผมใช้ชีวิตช่วงหนึ่งเท่านั้นกับท่านที่เล่านี้ก็เล่าตามที่ในช่วงนั้นๆส่วนการบอกว่าผมเป็นติดก้นกดนู้นอาจจะกระทบกระทั่งคนซึ่งเขารู้อะไรที่ดีกว่าผมมากๆและทำให้ไม่เกิดผลดีกับผมเองด้วยครับนั่นหมายว่าเขาคนอาจจะหมั่นใส้ผมึิ่งขึ้นกัน ไ, ได้บทวีที่มาลายครับ นิสนิตของหมู่เมฆ ร, ร่างของมหาบุรุษนอนนิ่งเยียดยาวดังหิมาลายัยขุนเขาเย็นเยือก ด, ด้วยหิมะหยกงามรึกลำในเมงยามันเงียบสงัดนี้มีเสียงกระกล้องของสำนึกมาแล้วสู่โลกก็ทำภารกิจด้วยใจสมัคร เตียมอิสระแม้ปฏิ ญ, ญาณตนเสมอเพียงธาตุแห่งพุท ธ, ธชี้นำโชคชะตาตนเพียงเป็นรูปประกาศทมนอกทมเนียบดุจจังมาป่าเพนโถนร้องเรือาในท้องทุ่งแห่งยานทัศไม่ปรารถนาขึ้นส่งลาบยศมาเป็นอานและบังเหียนคิดอิสระเพื่อแผ่ฐานทางแห่งพุท ธ, ธ อันรกชัดด้วยอยากย่ายแห่งกาลเวลาทดลองความจริงของชีวิตทวนกระแสโลกบูชาธรรมอุทิศแด่พุทธะพระผู้ทอดร่างเหนือผืนดินแห่งกุศินักราตำนานชีวิตของผู้ประพฤติตนประหลาดในหกทศวรรษที่แล้วมาประชาชนเล่าลือว่าเป็นพระบ้าวิกลจริตบัดนี้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 เผยแผ่ให้แลเห็นเป็นเอกภาพถูกสอดครนใส่ร้ายป้ายสีอกุศลก็ไม่นำพาปีเดือนผ่านไปยังคงมั่นในขุนเขาหนักแน่นเสมอแผ่นดินเหินฟ้าพุทธธรรมดังพยาเดยวเริงลมบนร้องประกาศธรรมท้าทายภูมิบัญญาตราบถึงวันนี้วันที่ฝากความทรงจำไว้ในสายลม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 ชั่ว น, นิรันดรมีอะไรไหมครับต้องดังๆหน่อยนะครับอาเชื Sag, ่อมที่ตั้้นที่ั้ง่ได้อธิบายมาว่าเกิดไต้องตางใหม่ในผลสั่งแพอจะเสนอราเอความครืดางใหม่นที่ตั้ความคิดเป็นเรน่องใดแบบเขาเขาก็ได้ค <Hi> รับ จริงไม่หมายถีงจะให้ผมอธิบายเรื่องมิการใหม่เรื่องแนวทางนะครับจริงเป็นที่มานะครับ เ, ออเราลับพุทธศาสนาอย่างลังกานะครับคัมภีร์หลักซึ่งรวบรวมโดยกัปพุทโคษาจารย์นะครับที่ว่าด้วยแกนแท้ของพุทธศาสนาเพื่อคัมภีร์วิสุทธิมักนั้นมีบทบาทครอบนาจูงใจบำ ร, รุงวิถีชีวิตของชาวพุทธสังกา มานานมากนะครับจระท่านพระสงฆ์นี่เชื่อว่าวิสุทธิมรติเนี่ยเป็นกนารสารยิ่งกว่าพระไตรปิฎกยิ่งกว่าพระสูตรปใดๆทั้งสิ้นนะครับผลมาในเครดิตอันนั้นในวิสุทมรติได้อธิบายเรื่องปฏิจจสมุปาทหรือที่เรียกปัจจัยาการชนิดข้ามสามภพสามชาติที่จริงนั้นในวิสุทธิมรติได้อธิบายรุ่งชั่วขณะจิตด้วยนะฮะแต่ไม่ได้เน้นแต่เป็นเน้นในสามภพสามชาติ ซึ่งจ น, นี้เองที่ท่านอาจารย์ถือว่เป็นจุดวิกฤตวิกฤตคุณปัญญาของพุทธเพราะว่าถ้ามันข้ามสามภพสามชาติมั่นก็การสัตตะทิฏฐิซึ่งเป็นหนึ่งในนิจฉาทิฏฐิถูกไหมครับอแล้วก็จากจ น, นี้เองที่นําไปสู่การวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งในวิถีทั้ทงนี้ไม่ได้หมายว่าพุทธโฆษาจารย์นั้นไม่ได้พูดเรื่องการเกิดชั่วขณะจิต ท, ท่านผูดได้ด้วยนะแต่นิดเดียวครับเพราะว่าท่านมันเพีเงพเยงผู้รวบรวม ข้อคิดร่วมสมัยของท่านนะฮะถ้าไม่ได้ใช้วิธีทางการตีปัญหาให้แตกแต่รวบรวมทุกสิ่งที่มีไว้เพื่อรวบรวมให้เป็นทรัพย์สมบัติของอนิชนเท่านั้นจากจุดที่ว่าอาสวะกิเลสเนี่ยโดอ่งอยู่ในขนานข้ามภพข้ามชาติหรือว่าอาสวะกิเลสอาสวะหมายในความเคยชินที่จะเกิดซึ่งข้อต่างนี้าาจะกาดกันมาก กาจัจากการมากๆจนทั้งว่าจากจุดนี้มันไปสู่การแบ่งแยกในการภาวนาได้เพราะว่าถ้ากิเลสแ ด, ดงสันดานที่เรื่องนิสัยนั้นติดฝังลึกนอนนิ่งนานเหมือนเชื่อกันนะการปฏิบตัติต้องขัดเกลาขูดเพียนทำทุกวิีทางที่จะให้หมดสิ้นแล้วถ้าเหตุอยู่ในชาติก่อนไม่แต่แก้ให้แก้ที่เหตุมันยืมือไปในอดีตชาติไม่ได้ครับถูกมมันดูแล้วพกอยู่ เราไม่ได้ตัดสินนะครับว่าพระพุดดทธเจ้าถูกวิจิตผมเล่าว่าพระร ajan มีข้อขัดแย้งอยู่อย่างไรเท่านั้นส่วนการที่เชื่อว่าอนุสัยนั้นเป็นเตียงแทบดิบที่เคยชินที่เพิ่ง เ, เ, ก, เกิดเกิดอย่างรวดเร็ ว, รวการปฏิบัติไปแบบต้องเจริญสติเพื่อให้ทันการเกิดชนิดนี้นะครับดังนั้นผู้ที่ถือกันว่าจิตเดิมแท้เป็นประสจนนะครับบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่แล้วนะครับ กิเลสเป็นอาคัมตุกะที่จอนมาเหนึ่งอย่างหนึ่งแต่เชื่อว่าเราเกิดมาแล้วแสนชาติกิเลส ด, ดองสันดานเราต้องเกิดอีกนั่ น, นเป็นความเชื่ออีกแบบหนึ่งส่วนตัวองผมถือว่าความเชื่อทั้งสองนี้กลมกลืนกันได้ครับไม่ถึงขัดแย้งอย่างรุนแรงครับเพราะด้านหนึ่งเหมือนกันมองแบบอุกราสิสารมีคนมีสัตว์คนต้องมีกิเลสมีการเดินทางไกเหมือนคนโบ ร, ราณผู้เ ร, เราเกิดมานี้เพื่อเสริมบา ร, รมีของเราให้เต็มคืยังมีตัวตนเนี่ยตาอยู่ น, นี้เป็นรากฐานของจริยธรรมแบบพุทธครับแต่เมื่อถึงเรื่องบทภาวนาท่านสูงท่านอาจารย์ท่านบอกท่านไม่ยอมครับเหมือนที่เล่าแล้วท่านเป็นคนดื้อวา่าจุดไหนที่อุกฤตกระแลงท่านท่านยอมไม่ได้จะนจนี้นเองมันจะนําไปสู่ท่าว่าจะตั้งนี้การนี่ยไม่เหมือนกันมครับเราจะบอกพุทธศาสนา น, นทุกทุกสำนักในประเทศนี้หรือทั่วโลกเหมือนกันไม่จริงครับ แต่ว่าท่านเราบอกพูดว่าโดยสมมติสมมุติที่ชัชาแล้วเหมือนการนึนพูดได้ครับพูดได้ไม่ว่าภาวนาแบบพุโทโธก็ดีหรือสัมมาอรหังก็ดีผมคิดว่าเราต้องมีพืพ้นความเข้าใจอันหนึ่งซึ่งสําคัญมากตรงนี้ว่าบรนดาเทคนิคทั้งหมดที่ชาวพุทธรุ่นหลังอาจารย์รุ่นหลังเนี่ยคนคิดขึ้นก็ตามเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้ช่วยคู่ช่วยยามเพื่อบรรลุเ ป, ป้าหมายระดับใดระดับหนึน่งเทคนิคทุกชนิด จะต้องถูกพลิกขยึดถือไว้นะี่ยอุปมาเหมือนเราหกล้มแขนหักสิ่งแรกที่เราไปหาหมอคือหมอเข้าเสือมให้ก่อนเพื่อหยุดการขยับเขลื่นเพื่อให้ธรรมชาติของร่างกายเนี่ยสมานแล้วมาถึงจุดหนึ่งเมื่อมันเริ่มหายแล้วต้องมาเฝือ่อก่อนถ้าเราเข้าไปคิดเนะียคิดว่าเสืคือส่วนหนึ่งในชีวิตมันจะยิ่งเลยครับตรงนี้ แถมเราจะพิการตลอดชาติไปเลยถูกไหมครับจากอุบมาเนี้่ยผมเองไม่ได้ใช้ความรู้สึกส่วนตัวเลยครับผมเห็นว่าถูกทั้งสองครับแต่ว่าถูกคนละระดับสัตตสตาทิฏฐินั้นถ้าเราดูในหมวดสัมมาทิฏฐิแล้วสัมมาทิฏฐิมีหลายหมวดมากนะมีหมวดหนึ่งเป็นสัตตสตาทั้งหมวดเลยจะต้องเชื่อบุญมีผลบ่าวมีผลยามีกรรมมีผลพ่อแม่มีบุญคุณกลาอาหารมีพระอหันที่สอนนี่เราเรื่องนเรื่องคนเนรื่องสัตว์บุคคลนึงั้นนี่ครับเรื่องพเจ้าที่สอนนะ แต่พอถึงสมาธิ์ที่อยู่ในหมดชั้นสูงนะฮะไอเ น, นี่ยไม่ใช่เรื่องสัตว์บุคคลตัวตนแล้วก็เป็นเรื่องประมัดแล้วครับเพราะนั้นข้อวิวาทะระหว่างผมใช้คำวิวาทไม่ได้ระวังธ่านอาจารย์กับหม่อมครึกฤทธิ์นะฮะที่จริงครั้งนั้นเนี่ยเล่าแทรกนะครับว่าหลังจากวิวาทกันแล้วท่านกลับไปถึงชิม่วงแล้วก็เปิดเทปชุดนั้นฟัง ผมได้ยินท่านพูนพาว่าบ้าทั้งคู่ท่านคูยกันท่นหลุดปากว่าบ้าทั้งคู่แล้วท่านก็หกันไปสอนพระที่นั่งบอกว่าพวกคุณไม่ควรจะทะเลาะขันเลยเมื่อพูดมีเรื่องเรื่องคนอย่างเงียบนีแต่ท่านไม่ไม่ทําตามที่ท่านพูดนะครับก่อนั่นท่านคือท่านแต่ว่าคําสอนของท่านไอ้ น, นี้เราต้องเข้าใจนะครับโดยทั่วไปเรามักเข้าใจว่าคุณต้องทําตามสิ่งที่คุณพูดฉันจะมีนับถือคุณ ถ้เป็นอย่างนั้นนีพ่อแม่ทุกคนไม่น่าไม่น่านับถือลูกไม่น่านับถือเลยครับเพราะหลายเรื่องที่เราทําไม่ได้ครับแต่เราเอาประสบการณ์เลวร้ายที่เกิดกับเราแล้วเราเข้าใจมันแล้วเนี่ยใช้เพื่อป้องกนันลูกนั่นเป็นความรักใช่ไหมครับดังนั้นการที่เราเราไม่ได้เสแทร้งพ่ออาจจะติดบุหรี่อยู่หรือกินเหล้าอยู่บ้างนะครับแต่มันมีเหตุผลเฉพาะตัวด้วยถ้าลูกบอกว่าพ่อจะไปสอนผมเลยพ่อยังเลิกยังไม่ได้เลยผมคิดว่าลูกคนนี้ก้าวเราไม่ดีเลยครับถูกไหมครับ ผมผมตอบได้พอเป็นเขาเท่านั้นนฮะส่วนที่ว่าท่านจะตั้งมิจายใหม่มนั้นท่านไม่ตั้งนะครับท่านบอกว่าแต่ผมจะไม่ตั้งอผมเชื่อว่ารากฐานของการพูดข้งนี้นื่องจาท่านเคารพในบูรพา j a n ด้วยแล้วก็ถ้าขืนตั้งมิจายใหม่ก็กลายมิจายที่สามถูกไหมฮะเช่นครับท่านต่อไปที่สาม จะจะขอถามว่าตั้งที่ถ้ามีจริงท่านมีอัจฉริยภาพอะไรพิเศษกว่าคนปกติเปล่าเพราะว่าไม่ว่าในสื่อท่านเขียนในานวธรรมะการเมืองหรือธรรมะกับระบบการศึกษาของประเทศไทยหรือหลายๆเรื่องครซึ่งความคิดทีงกว้างมากที่จะธรรมะไปอธิบายในแง่มมต่างๆแต่ว่าในขณะที่ถ้ามองในแง่มูลพระต่างๆหรือพระส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติแล้วท่านก็พูดธรรมะในเงวเอามา ประยุทธ์ช้างจประจำวันแต่ว่าผมสงสัยว่าทาไมท่านสามายงยา่เหมือนกับคนที่ได้รับการศึกษาในระบบมหาลัยหรือหรือหรือคนที่ได้รับการศึกษามากๆเป็นไปได้แต่ว่าจะขอถามว่าถาวอารว่าในหนที่การอยู่ในานการส่งคัวรนี่ยจะขอถามว่าเป็นเพราะท่านมีทักษะมากหรือว่าใช้วิธีศึกษาอย่างไรหรือว่าเป็นการรู้จ้งกภายในแล้วจึงสารนรือใดโปรดลดการต่างแงได้ขอบคุณครับ ทำดีนะจริงปัจจัยที่ทำให้ท่านอธิบายอะไรได้กว้างลุ่มลึกแล้วประการสาคัญที่สุดก็คือสืบสารอดีตปัจจุบันแล้วปูทางไปสู่อนาคตได้นะครับมีหลายปัจจัยมากครับความเป็นนักอ่านตัวย ง, งด้วยนะฮะไม่ใช่อันหนึ่งอันใดนะคความใช้ชีวิตแนบสนิทกับธรรมชาติป่าเขานะครับความที่มีชีวิตติดดินซึ่ง คำ ว, วิชิตจะเด็นหมายว่าตัดขาดจากความเพียรพยายามที่เป็นเจ้าคุณที่เป็นสมเด็จซึ่งสิ่งนั้นจะรบ ก, กวนควนามรู้สของผู้ที่หวังภาวนาเนี่ยเป็นอย่างสูงนะครับผมคิ่าสิ่งหนึ่งปรากฏการณ์หนึ่งนะครับในประเทศเราคือระบบสมริ์นี้ไม่มีผลดีเท่าไหร่ต่อวิถีทางของสมณะแต่จะมีผลดีต่อรัฐมนักหรือหรือการเมืองในวงกว้างได้จริงๆนั่นสิ่งนี้นรบกวนควาสรทธิึมากครับ ที่ต้องมาแข่งเรื่องสักเรื่องสีซึ่งเป็นนักบวชแล้วไม่น่าจะมีเนะ่ยในเทระเทดีเจตาบอกว่าอัตมาภาพหมายถึงบทบวหานเนจะท่องเที่ยวในฟายพงเอาอกแหวกยากานะ่าคาเนี่ยเขาจะทำตัวเป็นไม้ผูกคือแบนกิดดินเลยเนยะเพราะว่าสมณะต้องเป็นอย่างนั้นนะี่ยานอจารย์ได้ปฏิบัติสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเ น, นื่องนเวลาที่ยาวนาน อุมัญัท่านนั้นก็เกิดการประสานตัวนขึ้นทั้งประสบการณ์ด้านในเฉพาะตัวนะฮะเรื่องการประจักรแจ้งในตนเองนะรัพร้มันั้นท่านไปนชอบทิ้งพระคำพีนะครับท่านเป็นนักการศึกษาตัวยงเรื่องท่านทมันหมดทุกด้านอา่มีครั้งหนึ่งผมเล่าเรื่องส่วนตัวแทกนิดนะครับคงอาจจะเป็นข้อมูลเสริมได้อ่หลังจากผบวชอยู่ ประมาณ 4, สามสี่พรรษาผมรู้สึกเบื่อหน่ายจนโวกงนะครับก็คนเริ่มไปไปมาหาสู่มากขึ้นผมเองต้องการหลีกเลนให้มากกว่า น, นั้นไปลาท่านผมพูดไ้ง่ายจะเข้าป่าให้ลึกไปก่อ น, นั้นท่านเตือนคําหนึ่งซึ่งคิดว่ามีบุคลากรคุณนะผมมากท่านบอกว่าการคุณที่จะเข้าป่านั้นดนีแต่ถ้าความรู้คุณเกิดในป่าคุณจะชักจูงประชาชนเข้าป่าด้วย แต่ถ้าความรู้เกิดในเมืองหนระือความรู้แจ้งผมหมายนะคงณจะเป็นประโยชน์คนในเมืองได้พระอาจารย์นั้นเข้าป่านะในช่วงชิงชัยลิบดิชิตทางปัญญาปี75นะฮะแต่แล้วท่า น, นค่อยๆเคลื่อนทัพกลับเข้าเมืองฮนะปรากฏท่านมีวิทยุเดี๋ยวนี้มันมีทีวีด้วยนะเพื่อสื่อข่าวาต่างๆในช่วงที่ฉรวจ ด, ดาวเทียมถูกยิงครั้งแรกพระอาจารย์รับข่าวโดยตรงเลยนะท้ามีโทรศัพท์ทดู ดูไปแล้วนะครไม่ในห น, น้าที่จะประสานมันได้อย่างแน่นแน่นระหว่างพระป่า ก, กับเทคโนโลยีแต่ท่านอาจารย์ประสานมนได้อย่างดีเนี่ยประการคร้หนึ่งท่านบอกว่าผมไม่ใช่อัตยระยภาพอะไรสมองผมไม่ได้พิเศษกว่าคนอื่นแต่ประการแรกคือผมมีชนิดเวลาว่ า, นางนี้มากมายหลายกองนะฮะและ้วก็ขยันขันแ ข, ข็งนะครับต่อเนื่อง บางทีผมเห็นท่านเดินโยมกลมเพื่อแปลสับสับเดียงเป็นชั่วโมงเลยครับเดินกลับไปกลับมาเพื่อจะหาคำแปลที่เหมาะสมงที่สุดซึ่งนักแปลทั่วไปเขาไม่สนใจแต่ในแบบนั้นอาศัยความรู้ทางภาษาไวยากรอะไรแปลเลยโดยไม่เจาะแทงสู่อัตถที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังภาษาเหราะนั้นภาษานี่มันเปิดเผยความจริงลุ่กลึกไม่ได้แต่ก็ต้องอาศัยภาษาเป็นดัดเฉีชี้ไปเหมือนที่เซนบอกว่ามันนี้วไปี้ที่ประกันนะครับ ใครสนใจที่นิ้วมันก็เลยไม่ได้ดูของจริงอาจารย์ท่านใช้นิ้วอย่างระมัดระวังในเล่าข้อตั้งอมีสารที่เหมาะจะชี้ไปที่อาจารแล้วก็ เ, เตือนเสมออย่าให้ยึดติดในคําพูดอย่ายึดติดในครูบาอาจารย์อย่ายึดติดในเมืองในป่าในอะไรทั้งนั้นนะครับผมคุณตอบแล้วนะครับว่าปัจจัยที่ทําใ ห, ห้แนวคิดหรือสิ่งอย่างท่าน แท่กเข้าไปในทุกฝีทุกสนามของของวิชาการนะครับเนื่องจากท่านอ่านมากปฏิบัติมากอยู่ใกล้ธรรมชาติมากแล้วก็สากัจฉากับนักคิดมากครับเห็นนักคิดทั้งหลายไปหาท่านก็แค่การโต้แย้งโต้เถียงกันผมเชื่อว่าท่านเรียนด้วยครับท่านเรียนรู้จากคําถามคําตอบนั่นเองหลายครั้งที่ท่านแสดงาการขอเข้ามาที่พิจุมในโอกาสวันเกิด ที่เรียกวันรออายุหนึ่งผมจําได้แม่นผมยังเป็นนักบวชอยู่ท่านประกาศถอนคําพูดที่เชื่อมาทั้งหมดเช่นหนึ่งจําได้ว่าผมไม่เชื่อเรื่องประชาธิปไตยอีกแล้วก่อนหน้านั้นท่านเหมือนปชาธิตยใหญ่เนะ้อแ ต, ตอมาเร่ว่าเมื่อไม่มีธรรมะประชาตายนี่แลวสามธาตุเอาสิ่มหาชนเป็นใหญ่นี่ประกอบได้ทำแล้วก็ฉะนั้นท่านขอถอนคําพูดในปีพรรษานั้นครับและยังมีหลายข้อทีดีกนะ ที่ท่านท่านขอถอนคำพูดแสดงท่านเรียนท่านมีพัฒนาการนะครับพอใจไหมครับตอบท่านขอบคุณครับเออเจ้าค่ทานอีกนิดนึงครับว่าตอนที่อาจรอยู่กับท่านเราจะขอจำกเวลาที่ท่าใช้ใช้ในแต่ละวันเป็นเป็นแบบว่าเป็นประจําหมฮะเช่นว่ากี่ชั่วโมงใช้ในการอ่านหนังสือเขียนหนังสือวิภาวนาลรืทำปฏิปฏิบัติวัตรกิจต่างๆครับอันนี้ผมตอบแทนไม่ได้นะฮะคนที่ตอบแทนได้จริงน่าจะเป็นท่านอาจารย์โพนะครับ อยู่ใก ล, ล้ตลอดเวลาตลอดเวลาท่านหลับที่แต่ผมจะเห็นท่านนั่งอ่านหนังสือจนหลับไปที่จีนบันไดขึ้นห้องขอดชั้นบนนะฮะหลับไปท่านหลายครั้งมากครับแล้วก็ในขณะท่านอ่นานหนังสือแปลตํำราท่านเบนิดะเลย ง, งานที่เรียกว่างานกรรมกรเลยนะฮะสมัยช่วงที่ผมเข้าไปใหม่นั้นเป็นช่วงบุกเบิกคือช่วงสร้างโงารงมราลัยศึอาจารย์เขาเป็นกุดีคนหนึ่ง ต, ตอนผมวาดรูปท่านมานั่งตีกรอบให้้ยนะฮะคื อ, ค, อคือท่านดีร า, าิศมาก รัะนั้นความที่สอนคนอื่นโดยจะเอาตัวเองเข้าทดลองผมคิดว่านี่เป็นอุปการะใหญ่นะฮะปกติคนเราง่ายที่สอนคนอื่นแล้วคนอื่นจะรับผิดชอบต่อคาสอนหรือไม่ไมนี่เรื่องหนึ่งสาหรับท่านอาจารย์เมื่อสอนใครแล้วนี่ท่านมีประสบการณ์รองรับยกเว้นเรื่องไอ้ถังกินเนนที่เล่าแล้วก็แล้วท่านจะสืบต่อ สมมติสอนไทยเรื่องนึงเร่องใดแล้วนี่ยจะติดันครับติดพันอ่างผมเองถูกเนยให้ปั้นอาปันขยายอาโอโลยเตสวนเนีกล่าวได้นะครับว่าเอาโอโลยเตสวนองนั้นได้กลายเปนน็นมิตติดตาติดใจผมไปตลอดจนกระทั่งบัด น, นี้ไปที่ไหนเห็นเท่าก็นึกจเรื่องนั้นเพราะว่าท่านมาตรวจงานที่ไหนนั่นก็เน้นลยว่าเออคุณทําอนี้คุณต้องเปนนี้ บนเสียงของโอโลเตสวนนะครับมีดินแล้วหญ้าขึ้นเห็นไหมครับคนที่ไปสวนโมก็จะเห็นเวลาหน้าฝนนั่นไม่ใช่อุบัติเหต น, นะครับมัปลูกขึ้นเองเพราะว่าท่านบอกผมว่าถ้าเป็นโอโลเตสวนจริงต้องติดดินได้ะสามารถทูนหญ้าไว้บนหัวได้ผมก็เลยนํามาเป็นสัญลักษณ์นะครับถ้าเราไปวัดโพแมนนะครับเราจะพบว่าอาโอโลเตสวนอยู่ในรูปของคนตะพุ่นหญ้าช้างครับ เมืม่อเราเห็นภาพวาดจะแค้สูงสักแต่ผมคิดว่าเอาโลจศส์อาจจะขายเฉาก้วยก็ได้ครับผมเข้าใจจริงจังหมายเลยครับไม่ควรที่มองธรรมะผ่านทางอาชีพสูงๆนะครับธรรมะอาจจะปรากฏกับอาชีพต่ำๆข้ามถนนกว่าถนนกับใครเมื่อไหรก็ได้ครับแต่ล้วมองว่า คนีมาสูงต้องมีเงินรายได้สูงด้วยนี้มีศักดิ์อุ่นเกียรติมียผมก็คิดว่าน่าจะมองพลาดไปที่จะวัดนั้นผมไม่ทราบไม่ทราบชัดเลยเล่าไม่ได้ครับต้องถามเงิสั้อ่งอาารยทราบนะครับที่งานค้างของท่านท่าน้าคนะฮะที่ท่านใจท่าทราบมันาว่าเรื่องสาานลูกลมตรงไม่เสร็จ ทานสรางในเรื่องอะไรบ้างที่นมาก็เป็นเรื่องภาษาคนภาษาธรรมแต่ท่าอยากจะทำน่าใ น, ง ห, น, ง, รรานางหลังตัน่นคือสาากตละนาเป็นกฎหมายได้คิครับผมจะมองไปสู่งานที่ดีเด่นนะครับคิดว่าภาษาคภาษาธรรมนันเป็นงานชั้นชั้นเยี่ยม